ใครมีวิชาความรู้มีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็ตามหรือใครอาจจะมีกิเลสมากน้อยเพียงใดก็ตามเช่นมีตัณหาความท่เยอทยานหยาบในทรัพย์สมบัติและลาบยศสันเสริญจะถ่าเยนท่เยอทยานมากมายเพียงใดก็ตามแต่เราเอาศีลห้าเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์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 เราอาจจะคิดว่าเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ได้ยินคำบอกเล่าที่คนที่เขาไปรู้ไปเห็นแล้วก็บอกเล่าให้ฟังเขาว่าในประเทศเกาหลีนั้นเขายึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติอยู่สามข้อหนึ่งอัตตาหิอัตโนนาโธตนเป็นที่พึ่งของตนสอง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 อันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจทีนี้ในเมื่อท่านทำวัดตรวจมนแเพเมตตาเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตามแบบฉบับที่พระพุทธบาทตามแบบที่เหมือนเหมือนกับพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเอามือขวาวางเอามือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไป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 แล้วก็กำหนดลงที่จิตนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นนึกพุโทโธเฉยเฉยนึกด้วยความเบาใจอย่าไปกดไปข่มประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออย่าไปบังคับจิตให้เกิดความสงบหน้าที่เพียงแค่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเฉยเฉยอย่าไป น, นึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบ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 ขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามเพราะเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกหลักฐานที่เราจะพึงหยิบยกมาพิจารณาถ้าหากว่าผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราจะอาบน้ำทำใหม่จะฟอกสบู่ทำใหม่จะตกแต่งทำใหม่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 อันนี้เรามันพิจารณากันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งจิตของเรามันชำนิชำนาญในการพิจารณาคล่องต่อการพิจารณาในตอนต้นๆ้นเราก็ตั้งใจนึกคิดเอาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นของปฏิคูณหน้าเกลียดโสโครไม่สวยไม่งามเนื้อกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในที่สุดเมื่อจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไป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 ย่อมจะปรากฏในมิตขึ้นมาให้มองเห็นผมขนและบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยภาพในมิตที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้อย่างนั้น ท, ทุกท่านทุกคนบางท่านก็สักแต่ว่ามีความรู้ซึ้งถึงจิตถึงใจว่าสิ่งดังกล่าวเป็นของปฏิกรูน่าเกลียดโสโครก แล้วก็เจตจอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลการพิจารณาอาสุภากรรมฐานหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนือเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนั้นเป็นอุบายที่จะถ่ายถอนราคะความกำนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นคลุ่มลุ่จิตใจจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นอย่างสะดวกคล่องแคล่วโดยไม่มีอุปสรรคใด